พระธรรมตามพระใจปีดกครั้งที่เก้าสิบสามท่านถามสัมภะกุมาแล้วจึงจะรู้จักอัฏฐะเละธรรมะได้อย่าไปดูถูกนะว่าเขายังเด็กยังเล็กอยู่เขาบอกว่าสิ่งที่ดูถูกว่าเป็นของเล็กของน้อยไม่ได้อยู่สี่ประการด้วยกันหนึ่งอสรพิษงูพิษร้ายเนี่ยอย่าไปดูถูกว่าโอ้ยตัวน้อยงูเหา่างูจงอางเนี่ยเอ้ยนี่ลูกงูไม่เป็นไรเรา ก, กัดไม่ตาย อย่าไปคิดอย่างงั้นของเล็กๆน้อยๆเนี่ยอย่าไปดูถูกดูหมินนะไฟอย่าไปดูถูกว่าเป็นเป็นของเล็กน้อยนะว่าจะไม่เผาบ้านเผาเมืองได้นะไฟเล็กๆเนี่ยประกายไฟเล็กๆเนี่ยพระราชาอย่าไปดูหมินวนะ่าโอ้ยพระองค์นี้อ่ยยังเยาว์เกินไปอายุน้อยอย่าไปดูถูกแนมะ่ฝั่งตัดหัวได้แล้วก็สุดท้ายภิกษุอย่าไปกล่าวว่าโอ้ยองค์นี้อายุน้อยนะัก เขาบอกว่ามีสมัยก่อนคนเขาว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้าเป็นพระสมณะโคดมออกบวชนี่ผมยังดำสนิทเลยอายุแค่สามสิบห้าเป็นพระพุทธเจ้าโอ้ท่านอายุน้อยไปคล้ายๆอย่า ง, งนี้นะพระองค์ก็บอกว่าอย่าไปดูหมิ่นนะว่าพิษสุนั้นยังอายุน้อยนะเพราะฉะนั้นอย่าไปดูถูกนะว่าเธอเป็นเด็กสิ่งที่ดูหมิ่นล่าเล็กน้อยไม่ได้สี่อย่างด้วยกัน พระจันทร์ปราศจากมนลถินโคจรไปในอากาศย่อมสว่างสวยล่วงหมู่ดาวทั้งปวงในโลกนี้ด้วยรัศมีฉันใดดวงจันทร์ในยามค่ำคืนนี้ก็ต้องสว่างกว่าดวงดาวสัมภวะกุมารแม้ยังเด็กก็ฉันนั้นย่อมรุ่งโรจน์ล่วงบัณฑิตทั้งหลายเพราะประกอบด้วยปัญญาดูก่อนท่านพราม์ท่านยังไม่ได้ถามสัมภวะกุมารยาเพิ่งเข้าใจว่าเธอเป็นเด็ก ท่านถามสัมผวะกุมารแล้วจะเพ่งรู้อัฏฐะและธรรมะได้ไปถามก่อนค่อยว่ายังไม่ได้ถามอย่าไปดูถูกเลยนะดูก่อนท่านพรามเดือนห้าในคิมหันตรรดูคิมหันตรดูนี่มันหน้าไหนพวกกันหน้าหนาวนะเขาบอกว่าในเดือนห้าเนี่ยนะสวยงามยิ่งกว่าเดือนอื่นๆด้วยต้นไม้และดอกไม้ฉันใดเขาบอกว่าในเดือนห้าเนี่ยนะเป็นเดือนที่ ดอกไม้ใบไม้เนี่ยสว่างสวยงดงามสงสัยไม่ใช่เมืองไทยไงแงไรเงี้ยนะหรือเมืองไทยเนี่ยดอกไม้งามไหมเดือนห้าเนี่ยหน้าร้อนนะเดือนห้าก็าเดือนอะไรนะก็เดือนเมษาใช่ไหมคัมภีร์นี้สงสัยไม่ใช่ประเทศไทยไงแงไๆเลยเนี่ยก็บอกว่าเดือนห้าเนี่ยใช่ไหมต้นไม้ดอกไม้เนี่ยงามเมืองไทยเนี่ไปที่ไหนนี่ก็โอ้ยแห้งแล้งเหี่ยวเฉาไปหมดอะ เขาบอกว่ามันก็แค่เป็นเดือนที่ทั้งดอกทั้งผลทั้งอะไรเนี่ยมันงามบานสะพั่งไปหมดอ่ะสัมภวะกุมารแม้อย่างเด็กก็ฉันนั้นย่อมไพโรดล่วงบัณฑิตทั้งหลายเพราะประกอบด้วยปัญญาดูก่อนพราหมณ์ท่านยังไม่ได้ถามสัมภวะกุมารก็อย่าเพิ่งเข้าใจว่าเธอเป็นเด็กท่านถามสัมภวะกุมารแล้วจะเพิ่งรู้อัฏฐะและธรรมะได้ดูก่อนพราหม์หิ ม, มวันตะบันพดเพอภูเขาหิมะพานอ่ะนะ เชื่อว่าพันธรมาต์ดารดาดไปด้วยพันไม้ต่างๆเป็นที่อยู่ของถวยเทพย่อมสง่างามหอมตลบไปทั่วทิศ ด, ด้วยทิพยโอสถหิมพานเนี่ยมันเป็นป่าที่มีสมุนไพรเยอะฉันใดสัมภวะกุมารแม้ยังเป็นเด็กก็ฉันนั้นย่อมไพโรธล่วงบัณฑิตทั้งหลายเพราะประกอบด้วยปัญญาดูก่อนพรามณ์ท่านยังไม่ได้ถามสัมภวะกุมารก็อย่าเพิ่งเข้าใจว่าเธอเป็นเด็กท่านถามสัมภวะกุมารแล้ว จะพึงรู้อัฏฐะและธรรมะได้ไฟป่ามีเปลวรุ่งเรืองใครเคยเห็นไฟไหม้ป่าบ้างเหรนะ่เวลามันไหม้จริงๆรนี่มันลุกมากเลยเปลวเนี่ยมันรุ่งเรืองไม่ลามไปในป่าไม่อิ่มมีแนวทางดำคุเรื่อยไปมีเปรียงเป็นอาหารมีควันเป็นธงตรงไหนที่ไฟไหม้ก็ดูแ่บควันดำๆอ่ะใช่เลยเพราะฉะนั้นแนวไพลายสูงๆเวลากลางคืนสว่างลู่ชงอยู่บนยอดเขา ไฟไหม้บนยอดเขาอะนะมันสว่างสวัยไปหมดฉันใดสัมภะกมุมารแม้ยังเป็นเด็กก็ฉันนั้นย่อมร่วงโรดร่วงบัณฑิตทั้งหลายเพราะประกอบด้วยปัญญาดูก่อนพรามณท่านยังไม่ได้ถามสัมภวะกมุมารก็อย่าเพิ่งเข้าใจว่าเธอเป็นเด็กนะอย่าไปดูหมิ่นว่าเป็นเด็กเพราะฉะนั้นท่านถามสัมภวะกมุมารแล้วจะพึงรู้อาจรู้ทำได้ม้าดีจะรู้ได้เพราะมาดีรู้ได้เพราะอะไรฝีเท้าเร็วใช่ไหม มาดีไม่ดีจริงก็ดูที่สีเท้าโคผลิพัฒโคผลิพัฒนก็คือจะรู้ได้เพราะเข็นภาระไปบัว น, นี้จะแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงก็ต้องอยู่ที่การขนภาระข้าวกระสิบล้อนี้เนี่ยเจ๋งจริงหรือเปล่าก็บรนทุกดูสิเหมือนกันแม่โคนมจะรู้ได้เพราะเพราะอะไรแม่โคนมอะ่ะเพราะน้ํานมดีและบัณฑิตจะพึงรู้ได้ต่อเมื่อเจรจาเมื่อพูดคุยกันค่อยรู้ว่าใครเป็นบัณฑิตไม่เป็นบัณฑิต ฉันใดสัมภวะกุมารแม้ยังเป็นเด็กก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมภัยโรธคือว่าสว่างสวัยล่วงบัณฑิตทั้งหลายเพราะประกอบด้วยปัญญาดูก่อนพราหมณ์ท่านยังไม่ได้ถามสัมภวะกุมารก็อย่าเพิ่งเข้าใจว่าเธอเป็นเด็กท่านถามสัมภวะกุมารแล้วจะเพ่งรู้อัถฐเลสะธรรมะได้ไปถามเข้าก่อนอย่าเพิ่งไปดูหมิน่นดูแคลนเขาเลยทีนี้ สุจิระตัพหามก็เลยคิดว่าเออเราจะไปถามปัญหาดูไว้คนสุดท้ายว่าเด็กก็ยอบนะหมดที่ถามแล้วก็เลยไปถามดูก็เลยถามมาดูก้อนกุมานน้องชายของเจ้าอยู่ที่ไหนสัมภวะกุมารเด็กเนีไยอยู่ที่ไหนอายุเจ็ดขวบอ่ะลำดับนั้นสรนชัยก็เลยเปิดหน้าต่างชี้มือบอกสุจิรพราหมว่านั่นไงสัมภวะกุมานอ่ะคนที่มีผิวพรรณคล้ายกับทองคําอ่ะกําลังเล่นอยู่กับเด็กๆอยู่ในระหว่างริมประตูปราศาสตร นี่คือน้องชายของข้าพเจ้าขอเชิญท่านไปถามไต่ถามดูเขาเขาจะบอกปัญหาแก่ท่านได้ด้วยลีลาแห่งพระพุทธเจ้าสุจิรตพรามก็ฟังคําของสันชัยกุมารแล้วก็ลงจากปราศาทไปยังสํานักของสัมภวากุมารทีนี้มีคําถามว่าเข้าไปในเวลาไหนตอบว่าไปในเวลาที่สัมภวากุมารเนี่ยยืนเปลื้องผ้านุ่งผ้าเอาไว้ที่ตอไมอ้แล้วก็กอบปูนทั้งสองเล่น ะคะเด็กอายุเจ็ดขวบแก้ผ้าสมัยโบราณใช่มมือทั้งสองก็มากอบฝุ่นโยนเล่นกันนะฝ่ายพระโพธิสัตว์เจ้าเห็นพรามยืนอยู่ข้างหน้าเห็นพรามมากำลังเล่นฝุ่นอย่างสนุกเลยก็เลยถามมาข้าแต่คุณพ่อท่านมาด้วยประสองค์อะไรสุจิรพรามก็เลยบอกว่าพ่อกุูม่านเราเที่ยวไปในพื้นชมโพธิวิปก็ไม่มีผู้ที่สามารถจะแก้ปัญหาที่เราถามได้ ก็เลยมายังสำนักของเจ้านี่แหละมาหาเจ้านั่นแหละพระโพธิสัตว์ก็เลยคิดว่าเอ้นี่ใครๆนะที่จะวินิจฉัยไม่ได้ในสกลชมพูทวีปปัญหานี่มาถึงเราเรานี่เป็นคนแก่ด้วยความรู้เออเรานี้ก็แก่เหมือนกันเด็กอายุเจ็ดขวบเราก็แก่แก่ด้วยความรู้แก่ด้วยสติปัญญาเขาบอกว่าผู้ที่มีชีวิตอยู่ร้อยปีถ้าไม่รู้อัตรู้ทำ ชีวิตของเขาไม่ประเสริฐสู้คนที่มีความรู้อยู่วันเดียวแต่รู้อาจรู้ทําไม่ได้เพราะฉะนั้นปัญหานี่มาถึงเราแล้วพราะเรานี่เป็นคนแก่ด้วยความรู้ดังนี้รู้สึกละอายใจก็เลยทิ้งฝุ่นที่อยู่ในกํามือนะไปเอาผ้านุ่งมานุ่งห่มอย่างเรียบร้อยก็เลยประวรณาว่าเชิญท่านถามเถอะพราะข้าพเจ้าจะบอกท่านด้วยลีลาแห่งพระพุทธเจ้าถามมาเถอะปัญหาอะไรก็ถามมาไม่กลัวรักเด็กอายุเจ็ดขวบเนี่ย สุจรรตะพรามก็บอกว่าเราเป็นราชทูตของพระเจ้าโกรพยะผู้ยงยศส่งมาพระองค์นี้ผู้ยุทธิธิรโคร ต, ตรัรถามถึงอัฏถะและธรรมะได้ตรัสแล้วดังกล่าวมาดูก่อนสัมภ ะ, ะกุมารท่านถูกถามแล้วขอจงบอกอัฏะและธรรมะนั้นเถิดสัมภ ะ, ะกุมารนี้กล่าวว่าเออถ้าเช่นนั้นท่านจงคอยฟังโอ้จวิสัชนาธรรมะยาคาปัญหาก็เลยกล่าวว่า เชิญฟังข้าพเจ้าจะแก้ปัญหาแก่ท่านอย่างนักปราชญาปัญหานี้มันต้องตอบแบบนักปราชญาเขาตอบกันอันหนึ่งพระราชานี่ย่อมทรงทราบอัฏฐและธรรมะนั้นได้ปัญหานี้มันเข้าใจไม่ยากหรอกแต่พระองค์จะทําตามหรือไม่ไม่ทราบตอบได้แหละปัญหานี้แหละปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติอีกเรื่องหนึ่งนะคนลังงานกันแต่ปัญหานี้ตอบได้ สัมภวะกุมานก็ยืนแสดงธรรมอยู่ในระหว่างถนนด้วยเสียงอันไพเราะเสียงตึกกล้องไปทั่วพระนครพารณาณสีประมาณสิบสองโยชนลำดับนั้นพระราชาอุปราชเป็นต้นทั้งหมดก็มาประชุมกันพระโพธิสัตว์เจ้าก็เริ่มธรรมเทศนาท่ามกลางมหาชนก็เลยแสดงธรรมให้ฟังสัมภวะกุมานครั้นปฏิญาณกล่าวแก้ปัญหาอย่างนี้แล้วเมื่อจะกล่าวต่อว่าข้าแต่สุจิรตพราม บุคคลผู้ถูกพระราชาตรัสถามแล้วก็คือสมมติว่าพระราชาใช่ไหถามปัญหาคนข้างเคียงอ่ะพึงทูลกิจที่ควรทำในวันนี้ให้ทำในวันพรุ่งนี้พระเจ้ายุทธิทธละอย่าได้ทรงทำตามในเมื่อประโยชน์เกิดขึ้นถ้าหาว่ามีกิจมีการงานสิ่งที่ประกอบด้วยประโยชน์เกิดขึ้นปุ๊บพระราชาบอกว่าฉันจะทาวันนี้ อมาดก็บอกว่าโอ้ยเอาไว้วันหลังเถอะไปชาว้ า, าเดี๋ยววันหลังค่อยทําก็แล้วกันเพราะฉะนั้นนี่อย่าไปทําตามคําพูดของคนคนนั้นเลยเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าข้าแต่ท่านสุจิรตะถ้าหากใครถูกพระราชาของท่านตรัสถามว่าวันนี้เราจะให้ทานวันนี้เราจะรักษาศีลจะทําอุโบสถ ด, ดังนี้ไซก็กราบทูลมาขอเดชะข้าแต่มหาราชา วันนี้พวกข้าพระพุทธเจ้าจะฆ่าสัตว์จะบริโภคกามจะดื่มสุรากรเดี๋ยวพรุ่งนี้จะค่อยทำบุญทำอุศลเพราะฉะนั้นพระราชายุทธิถิลโครของท่านถึงจะทรงกระทำตามคำของอมาตะแม้ผู้ที่ยิ่งใหญ่นั้นแล้วก็อย่าได้อยู่อย่างนั้นให้วันล่วงไปด้วยความประมาทในเมื่อประโยชน์เกิดขึ้นอย่าทรงกระทำตามคำของเขารักษากุศลจิตที่เกิดขึ้นอย่าให้เสื่อม เพราะฉะนั้นจิตที่เป็นกุศลนี่ก็พยายามรักษาไว้นะอย่าปล่อยอย่าให้มันล่วงเลยไปอย่าให้มันเสื่อมไปเพราะฉะนั้นขอพระองค์จงทรงบำเพ็ญกุศลอันปฏิสังยุต์ด้วยกุศลอย่างเดียวแล้วก็กราบทูลว่าอัจเชวกิจจะมาตปังโกนชัญยา ม, มระนงังเซวเป็นต้นว่าความเพียรควรทำในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้จักความตายในวันพรุ่งเพราะว่าความพัดเพียรกับมัจจุราช ผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายฮัลท์ความตายนี่ผลัดวันประกันพรุ่งได้ไหมหรือว่าใครเป็นพระราชามหากษัตริย์เออเ อ, อนะเอาไปสักพันหนึ่งก่อนนะเดี๋ยวชออยู่อีกสองวันเอาไปพันหนึ่งไม่ได้เขาไม่มีใครมาผลัดวันประกันพรุ่งได้แม้แต่เรียกว่าให้อะไรนะเอาเงินไประหยัดใต้โต๊ะก็ไม่ได้นะบอกเออเอาไปก่อนแสนหนึ่งเดี๋ยวอีกสามวันค่อยมาใหม่นะความตายเ อ, อ, อย้ยยางไง ก็ไม่เชื่อล้อเพราะฉะนั้นพระองค์จึงสอนว่าบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเนี่ยคำนึงถึงอะไรบางคนนี่นั่งคำนึงโอ้ยสมัยก่อนนะเราเคยมีตาอย่างนั้นก็ว่าคำนึงถึงจักสุที่ล่วงไปแล้วด้วยอำนาจของตันหาคำนึงถึงรูปคือสีที่ สมัยก่อนโอ้ยงามกว่านี้ตั้งเยอะว่าไนหรือคำานึงถึงหูเมื่อก่อนหูดีกว่านี้เมื่อก่อนเนี่ยเสียงเพราะกว่านี้เมื่อก่อนนี่จมูกดีกว่านี้เมื่อก่อนนี่กลิ่นดีกว่านี้เมื่อก่อนอร่อยกว่านี้ตั้งเยอะเมื่อก่อนนี่แข็งแรงกว่านี้เยอะเลยตอนนี้โอ้มันซุดไปเยอะอันเมื่อก่อนนี่ฉลาดกว่านี้สติปัญญาดีกว่านี้เพราะฉะนั้นพระองค์บอกว่าไม่ควรคํานึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้ว และไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงอูย้ยข้างหน้าต่อไปนะจะมีรูปมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจอย่างนั้นอย่างนั้นมุ่งหวังถึงอนาคตต่อต่อไปเพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสว่าไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วพ้นไปแล้วหมดไปแล้วเหมือนฝันมาแล้วใช่ไหมคนที่ชีวิตที่ผ่านมาทั้งหมดไม่ต่างจาก ความฝันไม่ต่างจากของที่ขอยืมเข้ามาเขาเอาคืนไปหมดแล้วเขาเรียกคืนไปหมดแล้วนะความเป็นเด็กความเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นเด็กเนี่ยเขาเอาไปหมดแล้เพราะฉะนั้นสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วสิ่งใดที่ยังไม่มาถึงก็ยังไม่มาถึงบุคคลใดเห็นแจ้งธรรมะในปัจจุบันไม่งอนแงน่นไม่คลอนแคลนในธรรมะ น, น, นั้นได้เห็นแจ้งธรรมะในปัจจุบันนี้เห็นแจ้งเห็นยังไง เห็นด้วยอะไรจึงจะเชื่อว่าเห็นแจ้งเห็นด้วยปัญญาปัญญาที่เข้าไปเห็นว่าไม่เที่ยงปัญญาที่เรียกว่าอนิจจานุปัสสนาเป็นต้นปัญญาเหล่านี้ตามเห็นสังขารทั้งหลายโดยความเป็นของไม่เที่ยงด้วยความเป็นทุกข์โดยความเป็นอนัตตาปัญญาที่ตามเห็นโดยความไม่เที่ยงเรียกว่าอนิจจานุปัสสนาตามเห็นสังขารทั้งปวงโดยความเป็นทุกข์เรียกว่าทุกขานุปัสสนา ตามเห็นธรรมะทั้งปวงโดยความเป็นอนัตตาเรียกว่าอนัตตานุปัสสนาเมื่อตามเห็นโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็จะเบื่อหน่ายเจริญความเบื่อหน่ายเรียกว่านิพพานุปัสสนาเมื่อนิพพานุปัสสนาบริบูรณ์เข้าก็จะคลายกำนัดไม่ยึดติดยึดข้องเรียกว่าวิราคานุปัสสนาแล้วจะไม่ก่อไม่สร้างไม่เพิ่มภูมสมุทยต่อไปอีกเรียกว่า นิโรทานุปัสนาเพราะดับสมุทัยแล้วก็สละคืนปล่อยวางสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นด้วยปฏินิสักานุปัสนาพันเจริญอนุปัสนาเจมีปัญญาตามเห็นสังขารเหล่านี้แหละโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาตามที่ว่าไปอย่างนี้เรียกว่าเห็นแจ้งคํามะในปัจจุบันคำว่าปัจจุบันตรงนี้ไม่ได้มุ่งมาที่อารมณ์ปัจจุบัน อารมณ์นั้นจะเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันก็ได้แต่ปัญญาอันนี้ต้องเป็นปัจจุบันขณะนี้นะอบรมพ่อพูมให้มันเกิดขึ้นขณะ น, นี้ถ้าขณะนี้กุศลจิตไม่เกิดอะไรเกิดถ้าจิตตอนนี้กุศลไม่เกิดก็เป็นอกุศลให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์ควรเจริญไหม<ฮ>ยังไงก็ไม่ควรอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นทําอย่างไรละ่ะขณะนี้กุศลจิตจึงจะเกิดขึ้นทําอย่างไรแหละขณะนี้จึงจะตื่นตัวขึ้นมาพิจารณาธรรมะ การประพฤติการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาไม่ใช่เป็นเป็นการงานของคนหลักไม่ใช่เป็นการงานของความเคลิ่มไม่ใช่เป็นการงานของนักฝันไม่ใช่เป็นการงานของนักจินตนาการแต่เป็นงานของผู้ที่ตื่นเตื่นตัวอยู s <S ่ตลอดเวลาเตื <derni> ่นตัวที่จะพิจารณาเรื่องของกายเติ่นตัวที่จะพิจารณาเรื่องเวทนาเรื่องจิตและธรรมะ ตื่นตัวที่จะพิจารณาสังขารทั้งปวงตื่นตัวที่จะพิจารณาเรื่องกรรมและผลของกรรมเอางี้นะคนที่จะปฏิบัติธรรมนะก็คือคนที่พิจารณาในเรื่องกรรมและผลของกรรมคิดเรื่องกรรมนิคิดแบบฝันดีไหมคิดได้ไหมฝันโอ้ยฝันว่าอดีตชาตินะเราเคยทํากรรมมาว่าอย่างงั้นมาชาตินี้ก็เลยได้เป็นอย่างนี้แล้วก็ฝันว่าชาตินี้เราไปทําบุญอย่างนั้นชาติหน้าจะไปเป็นอย่างงั้นอย่างนั้นโอ้ยอันนี้ถ้าฝันนี่ไม่ใช่เลยทั้นการปฏิบัติธรรมตาม คำสอนนั้นจึงไม่ใช่เป็นเรื่องของความฝันความเคลิ้เคลิมแต่พระองค์กล่าวว่าเป็นชาคริยานุโยคชาคริยานี้แปลว่าตื่นตื่นจากนิวรณ์ทั้งห้าถ้าขณะไหนจิตเป็นไปกับโลภขณะนั้นก็หลับขณะไหนจิตเป็นไปกับโทสะขณะนั้นก็หลับขณะไหนจิตเป็นไปกับโมหะอุทธะกุกุจจะเดือดร้อนรำคาญทีนมิท่าวิจิกิจชาเกิดขึ้นขณะนั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้หลับเคลิมไปแล้วในขณะนั้น ปล่อยชีวิตล่วงไปแล้วเพราะฉะนั้นก็พ่อกพูนด้วยการตามเห็นอนุปัสนาทั้ง7จ็ดจนถึงกับเห็นพณิพานเมื่อเห็นนิพานอย่างนี้แล้วก็พอกพูนเจริญธรรมะนั้นนั้นเนืองเนือ ง, องให้ปลุก ป, ปรองเถิดเจริญตัวกุศลตัวนี้ให้มากๆบ่อยๆพอกพูนให้มีขึ้นให้มากขึ้นก็เลยบอกว่าเพิ่งทำความเพียรในวันนี้แหละ ใครเล่าจะรู้จักความตายในวันพรุ่งเพราะว่าความพัดเพียนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเราทั้งหลายพระมุนีผู้สงบเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียนไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแลวว่าผู้มีราตรีหนึ่งจเจริญอันชีวิตของผู้ที่จ ะ, จะเจริญได้ก็คือชีวิตของผู้ที่ไม่ผลัดวันประการพรุ่งอันนี้เป็นคาตอบ คำตอบแรกของสัมภวะกุมารโอ้เก่งนะเด็กเจ็ดขวบเองสมัยก่อนนี้สมัยนั้นอายุเจ็ดขวบเราไปคิดอะไรอยู่เนาะก็เลยตอบไปอีกว่าข้าแด่ท่านสุจิรตะเมื่อบุคคลถูกพระราชดํารัฐถามคือพระราชาถามพึงกราบทูลธรรมะภายในเท่านั้นถ้าหากเขาถามปัญหาควรจะพูดถึงธรรมะภายในธรรมะภายในคืออะไรภายในคืออะไรขันห้าขันห้าคือสิ่งภายใน รูปคือภูตรูปและภูปาทายรูปมหาภูตรูปธาตุดินธาตุดินในกายของเราคืออะไรบ้างผอมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับไตไส้ปอดอาหารใหม่อาหารเก่ามันสมองในกระโหลกศรีรษะนี้เรียกว่าธาตุดินที่มีอยู่ในภายในเพราะมีลักษณะแข่นแข็งนี่คือมหาภูตรูปข้อที่หนึ่งมหาภูตรูปข้อที่สองคือธาตุน้า ธาตุน้ำที่มีอยู่ในกายนี้ประกอบไปด้วยน้ำดีน้ำเลือดน้ำเสลน้ำหนองน้ำมันค้นน้ำมันเล้วน้ำไข่ข้อน้ามูกน้ำมูดแล้วก็น้ำปัสสาวะน้ำตาน้ำเหล่านี้ก็เป็นน้ำที่มีอยู่ในกายนี้ก็นับเนื่องในรูปแล้วก็ต่อไปธาตุไฟที่มีอยู่ในกายนี้ธาตุไฟอย่างหนึ่งก็คือไฟที่ทาให้ร่างกายสุญโสมไฟอย่างหนึ่งก็ทาให้ร่างกายป่วยไข้ ธาตุไฟอีกอย่างหนึ่งก็ทำให้ร่างกายอบอุ่นสุดท้ายช่วยย่อยอาหารธาตุไฟที่มีอยู่ในกายนี้ก็เป็นเตโชธาตุก็เป็นมหาภูต ร, รูปก็เป็นรูปประขันแล้วก็ธาตุลมธาตุลมก็คือลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ำลมในท้องลมในลำไส้ลมหายใจเข้าหายใจออกธาตุลมนะทาให้เรานั่งกันอยู่นี่ ถ้าหากว่าธาตุลมไม่แข็งแรงไม่มีกําลังนะมันฟุบลงไปเลยเพราะฉะนั้นที่นั่งอยู่ได้ก็ธาตุลมยืนก็ธาตุลมเดินก็ธาตุลมธาตุลมที่ทําให้เกิดการยืนเดินนั่งนอนเรียกว่าลมที่พัดพาไปทั่วสารพรางกายก็เรียกว่าจิตตชโรบจิตตชโรอันนี้ก็คือวายโยธาสิ่งทั้งหมดเหล่านี้ก็เรียกว่ามหาภูตรูปมหาภูตรูปสีก็อาศัยธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟรูปเสียงกลิ่นรส และธรรมารมณ์ทั่วไปก็อาศัยมหาภูตรูปนี่แหละมหาภูตรูปชื่อว่าเป็นขันเพราะมหาภูตรูปนั้นต่างด้วยความเป็นอดีตกายของเรานี่เป็นอดีตหรือใครไม่เป็นอดีตมามั่งนี้วะอันนี้เนาะร่างกายของเราเนี่ยที่เป็นอดีตก็มีอนาคตจะมีต่อไปไหมมีนะมหาภูตรูปที่จะมีต่อไปขณะนี้มีไหมมีเรียกว่าปัจจุบันเพราะฉะนั้นภายในมีภายนอกก็ นี่ทั้งภายในทั้งภายนอกทั้งใกล้ไกลหยาละเอียดเลวประนีตเพราะฉะนั้นมหาภูตรูปเหล่านี้เป็นที่อาศัยเกิดของจิตใช่ตาเป็นที่อาศัยเกิดของจักรวิญญาณหูเป็นที่อาศัยเกิดของโสตวิญญาณจมูกเป็นที่อาศัยเกิดของขานะวิญญาณลิ้นเป็นที่อาศัยเกิดของชิวหาวิญญาณกายเป็นที่อาศัยเกิดของกายวิญญาณหทยวัตถุเป็นที่อาศัยเกิดของ มโนวิญญาณความนึกคิดต่างๆที่ไหนมีวิญญาณที่นั่นก็มีเวทนาเวทนาคือความรู้สึกก็เกิดขึ้นที่ไหนมีเวทนาที่นั่นก็มีสัญญาสัญญาก็เกิดขึ้นที่ไหนมีสัญญาที่นั่น <zum> ก <gives sti> ็มีเจตนาที่นั่นก็มีผัสสะตรงนั้นก็เป็นสังขารสังขารทั้งหลายอนิจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนาเที่ยงมีไหมอะไรเที่ยงมั่งโถความคิดนี้ยังไม่เที่ยงเลยนะ จะเอาอะไรเขาบอกคนที่กล่าวว่าร่างกายเหล่านี้นะจะเที่ยงยั่งยืนไปเป็นร้อยปียังจะพอพูดถูกแต่ใครบอกว่าจิตเที่ยงนี่คนนั้นพูดผิดถนัดเลยใช่ไหมจิตที่เห็นเนี่ยอย่างหนึ่งนะจิตที่ได้ยินก็อย่างหนึ่งจิตที่รู้กลิ่นก็อย่างหนึ่งจิตที่นึกคิดก็อย่างหนึ่งใครเคยคิดเรื่องเดียวได้ตลอดมั้งไม่ตลอดนะเพราะฉะนั้นจิตที่คิดแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องก็หนึ่งชนิดหนึ่งชนิดแต่ละชนิดแต่ละชนิดไปเลย ทนในแต่แตและชนิดนี้ที่คิดนี้เป็นกุศลหรืออกุศลกุศลกับอกุศลเกิดร่วมกันไหมไม่เกิดร่วมกันกุศลกับอกุศลไม่เกิดพร้อมกันแมในอกุศล น, นะอกุศลที่เป็นโทสะก็อย่างหนึ่งอกุศลที่เป็นโลภะก็อย่างหนึ่งอกุศลที่เป็นโมหะก็อย่างหนึ่งโลภาก็มีทั้งสองเวทนาทั้งอุเบกขาและ no Aquí, สุขเวทนาโทสะมีเวทนาเดียวโมหะมีเวทนาเดียว เพราะฉะนั้นในขณะที่สุขก็ไม่ทุกข์ขณะที่ทุกข์ก็ไม่เฉยขณะที่เฉยก็ไม่สุขไม่ทุกข์มันก็หมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันไปในโลกของความรู้สึกเพราะฉะนั้นความรู้สึกเหล่านี้บางอย่างเป็นกุศลเวทนาบางอย่างเป็นกุศลเวทนาบางอย่างเป็นอกุศลเวทนาบางอย่างเป็นอัพยากตะเวทนาบางอย่างอยู่ในฝ่ายแห่งกรรมเวทนาบางอย่างอยู่ในฝ่ายผลแห่งกรรมเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักเวทนาเหล่านี้ก็จะตามเห็นว่า โอเวทนามีแล้วก <che> ็ไม่มีมีแล้วก็หมดไหมแต่ถ้าได้ปัจจัยมันเกิดอีกนะก็เหมือนกับแสงสว่างนี่แหละแสงสว่างนี่ม wow okay, ีไหมมีเมื่อก่อนแสงสว่างอย่างไ้มีไหมมีไหมเมื่อคืนเนี่ยมีไหมแสงสว่างนี้ไม่มีแสงสว่างอันนี้เกิดด้วยปัจจัยแล้วแสงสว่างนี้จะอยู่ตลอดไปไหมไม่ตลอดถ้าดวงอาทิตย์ลับไปแสงสว่างนี้ก็ไม่เกิดถ้าเปิดไฟก็อาจจะสว่างอีกฟันแสงสว่างอันนี้ก็แล้วแต่ ปัจจัยความรู้สึกของพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันความรู้สึกนึกคิดต่างๆเหล่านี้เกิดด้วยปัจจัยปัจจัยที่ทําให้เกิดความรู้สึกนึกคิดหนึ่งอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีอารมณ์ได้ไหมไม่ได้จิตทั้งหลายเวทนาทั้งหลายจิตเจตสิกเกิดขึ้นต้องรู้อารมณ์จิตเจตสิกเกิดขึ้นต้องอาศัย วัตถุเป็นที่อาศัยเกิดจิตเจตสิกที่เกิดขึ้นนั้นต้องมีอุปนิสัยจึงจะเกิดได้อุปนิสัยมีอยู่สมอย่างด้วยกันที่ทําให้เกิดความคิดขึ้นอุปนิสัยข้อที่หนึ่งเรียกว่าอาอนันตรูปนิสัยไม่ความคิดในแต่ละความคิดต้องมีจิตดวงก่อนก่อนจิตดวงก่อนนั่นแหละเป็นปัจจัยให้เกิดความคิดหลังขึ้นมาความคิดดวงก่อนก่อนที่ดับไปทําให้เกิดความคิดดวงใหม่ขึ้นเรียกว่า อนันตรูปนิสยชาตินะอนันตรูปนิสัยปัจจัยในแต่ละความคิดนั้นทำไมคนจึงคิดดีและคิดชั่วความดีความชั่วที่เขาคิดมาก็การสะสมการตั้งจิตของเขาเป็นอุปนิสัยให้เขาคิดแบบนั้นคิดดีหรือคิดชั่วอันนั้นเป็นอุปนิสัยประเภทปัตูปนิสยัยเหตุธรรมที่เขาสะสมมาดีที่เขาสะสมมาแล้วดีชั่วระช่ำเธอ ทำให้เกิดความนึกคิดนั้นนั้นที่เราทั้งหลายมาฟังเข้าใจปุ๊บเนี่ยเราสะสมมาใช่ไหมการสะสมมาตั้งแต่วันก่อนก่อนครั้งก่อนก่อนที่ทำให้ฟังปุ๊บเข้าใจปั๊บเลยอันนี้เป็นตัวที่สะสมมาเป็นปกระตู ป, ปะนิสยะปัจจัยเทนี้ปัจจัยของจิตอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าอารมมนูปนัณิสยะปัจจัยอารมณ์ใดที่เราฝักใฝ่ามากเช่นคนบางคนเขาฝักใฝ่ในกุศลจิต กุศลที่ฝักฝ่ายในกุศลกุศลจึงเป็นอารัมมณูปนิสยปัจจัยให้แก่กุศลต่อๆไปทัานกุศลจะฝักใฝ่ายในกุศลด้วยกันเพราะฉะนั้นสังขารเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นจิตเจตสิกหรือว่ารูปนามขันธ์ห้าสิ่งเหล่านี้เกิดด้วยปัจจัยเมื่อเกิดด้วยปัจจัยเมื่อปัจจัยไม่มีสิ่งเหล่านั้นก็เสื่อมไปหมดไปเพราะฉะนั้นเมื่อใดบัณฑิต พิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อนั้นย่อมเหนื่อยหน่ายในทุกย่อมเหนื่อยหน่ายในวัตทุกย่อมเหนื่อยหน่ายในวิบากกรรมมัชโรย่อมเหนื่อยหน่ายในเจตนากรรมย่อมเหนื่อยหน่ายในบาปในอกุศลธรรมความเหนื่อยหน่ายในทุกนั่นแหละเป็นทางแห่งความหมดจดนั่นแหละเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์พ่อคูนเจริญความรู้ จเจริญสติจเจริญปัญญากุศลธรรมเหล่านั้นให้มากดังั้นกุศลธรรมเหล่านั้นแหละเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์หมดจดหรือว่าอนิจจาวัฏสงคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนอมีความเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาครั้นเกิดขึ้นและเสื่อมไปการเข้าไปสงบระงับสังขารนี้ได้เป็นเป็นความสุขจิตชนิดไหนจึงจะระงับสังขารได้อะไรเป็นตัวระงับสังขารได้ นิพพานเป็นธรรมชาติที่ระ ง, งับสังขารได้นิพพานนั้นจะรู้ได้อย่างไรจิตชนิดไหนที่เห็นนิพพานจิตที่เห็นนิพพานก็คือมัคคิตมัคคิตเกิดขึ้นมีอะไรเป็นปัจจัยนะมัคคิตก็คือวิราคะวิราคะมีนิพพทาเป็นปัจจัยนิพพทามีอะไรเป็นปัจจัยนิพพาก็มียถาภูตะยานทัศนะการรู้เห็นตามความเป็นจริงเป็นปัจจัย การรู้เห็นตามความเป็นจริงมีอะไรเป็นปัจจัยมีสัมมาสมาธิเป็นปัจจัยสัมมาสมาธิก็มีปัจจัยปัจจัยของสัมมาสมาธิก็คือพวกปัจสัทธิปัจสัทธิก็มีปัจจัยมาจากปีติปีติก็มาจากปราโมทปราโมตก็มาจากศรัทธาศรัทธามาจากไหนมาจากคนมีศรัทธาก็เพราะทุกข์อะนะวัตถทุกข์อะทุกข์กในที่นี้ไม่ไแปลว่าเจ็บปวดไปหมดแต่หมายถึงวัตทุกข์ ันผู้ที่สามารถเข้าถึงเรียนรู้ธรรมชาติเหล่านี้ได้ก็คือผู้ที่รู้อัดรู้รมแล้วก็ไม่ควรเดินไปในทางผิดการเดินไปในทางผิดก็คือเดินไปในมิจฉาทิฐิทิฏฐิทั้งหกสิบสองประการที่เป็นบาปเป็นอกุศลนั่นแหละชื่อว่ามิจฉาทิฐิกษัตริย์ไม่ควรลืมพระ อ, องค์เด็กอายุเจ็ดขวบสอนพระราชานะคุณเป็นพระราชาไม่ควรลืมตัว ไม่ควรประพฤติอธรรมไม่ควรข้ามไปในสิ่งที่ไม่ใช่ท่าไม่พึงขวรขวายในสิ่งอันไม่เป็นประโยชน์อันหนึ่งกษัตริย์พระองค์ใดทรงทราบว่าควรจะทําฐานะเหล่านี้กษัตริย์พระองค์นั้นย่อมทรงเจริญทุกเมื่อเหมือนดวงจันทร์ในสุกศักเหมือนดวงจันที่ค่อยๆเจริญมากขึ้นเรื่อยๆกษัตริย์เหล่าใดที่ตั้งมั่นอยู่ในศรัทธาอยู่ในศีล